มันอย่าเป็นอยู่จังใดเนอะโทรหากับบรับเฟสกับหายล่ะกับเงียบสำสวังอีกแล้วเป็นในหัวก็เป็นยังเป็นห่องเพียงอยู่ลายนอาหารคือก็เหลี่ยวมันเสรอล่าออกแล้วห๊ะ มุกซ、si、ีเล th ่าหอกไหวเที่ยวไม่ใช่ยังงี้จะไปหาน่องนกยุ่งอยู่บนผีข้างเดียวได้หรือหนอนน่องนกยุ่งนี่แหละทันยาจะไปบอกเลยเขานี่วุ้ยเขาหมักตัวแล้วหมอโอ้ยครูอาเขาคือจะไปหมักมุกมิกนี่แหละมุกมิกพวกสมกันยังอย่างนี้โล่เสาเสาเสาเสาเสาโอ้ยทันยามาเป็นแบบนั้นคุณอะไรทันยาหาเข้า เข้าข้างอย่าของอีกเปิดอ้ายผิดมากใช่ไหมจนนางตรงมาถึงอ้าย อย่าขอเ <Hello, S 1> ข้าใจแ <me. S 1> ล้วไปกับเขาปิดเทิมทันยาวาสิก บ, บาลมีกลับเป็นมูลทันยาแหละเหมือนเลิกกันได้ไหมคือคำที่เธอเอ้ยเว้าอย่าสิบไปกับเขาอ้ายขอจากยาให้หัวอย่างหา 6回いまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいま バカイロンハイバカイセータイアライカンナーニーアイバクンボファンニカンセィトクタンセイヤセバイイリーウウイダナ どこかにいののるのか 「らあこんにらああいはくのんで」 どこかへとぼんやんちゃうかんはんはんんはんはんはんはんはんはんはんはんはんははんは アナザンジャー。 Good, Good night, honey! じゃあ。 เบิ้ลจ๋าเบิ้ลหูเด้งแต่ว่าใหญ่ยุนิฮ้องแค่อยากเจอหน้าทันยาอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตถึงนั่นสิเป็นครั้งสุดท้ายกับตอมครับซอยห้องนี้เลยเรามีอะไรจะบอกเรื่องที่ทันยาชวนเรามาบ้านแล้วก็ทำตัวสนิทกันเหมือนเราเป็นแฟนกันเขาเพราะทันยาต้องการให้เบิ้ลเข้าใจผิด เพื่อที่เบิ้ลจะได้ตัดใจจากธัญญาแต่ความจริงแล้วธัญญายังรักเบิ้ลอยู่นะมิกดีใจด้วยนะที่ธัญญากับเบิ้ลเข้าใจกันและกลับมารักกันเหมือนเดิมมิกขออวยพรให้ธัญญากับเบิ้ลรักกันตลอดไปนะส่วนมิกจะต้องรีบไปต่างประเทศเพื่อไปเรียนต่อ ตาที่พ่อแม่ต้องการรักก่อนนะทันย่าเพื่อนรักสุดท้ายแล้วมิกจะเป็นบบคนอยู่เบื้องหลังซอยเข้าสองคนสมหวังมิกจะเป็นมูเข้าสองคนตลอดไปอย่างนี่ซอยพูด ไ, ได้ให้นกอดคือว่าสิกอดมัน กอดครั้งสุดท้ายแต่เป็นครั้งสุดท้ายของมือนี้มืออื่นกระสีกอดและอีกห ล, ลายมื อ, อกระสีกอดยาใหเา้เขา もうちょっと。<音楽>